การพิจารณาปัจจญาการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยาการมีแยกเป็นสองนัยยะคือที่แสดงไว้ในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชาหนึ่งแสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชาชาจนไม่เหลือหลอหนึ่งทเทียบ ก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่นายช่างทำเป็นแบบไว้แล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชาก็ตามแต่ผู้รื้อถอนก็ยอมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทาการ อวิชชาในตำ ร, ราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมูทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณ น, นามรูปเป็นต้นยอมดับไป ต, ตามๆกันไม่มีกิเลส ต, ตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธ ดังบทสุดท้ายแห่งอวิชาว่าเนรุ ช, ชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความเจรา ค, าครา่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราป ร, ราบรามอาวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งด้วยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ทั้งสองในยานี้ท่านแสดงเรื่องและโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทาอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมีได้แสดงวิธีการระ ง, งับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลาดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจยาการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจสี่หรือสติปทานสี่อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่า จากรูปธรรม ท, ทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิต เมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกําเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สายกับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัว ยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณอาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรังของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแล จึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี้คือการพิจารณอาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำราตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ พอให้เอาวิชารำคาญและหัวรอบรอบเหล่าโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปทายเดียว ทำนองกิเลสบาปทมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไหร่รู้มากเท่าไหร่ขึ้นเวทีโตเถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปาดตามทางศา ส, สาและศาสนธรรมเลย อวิชชาตันหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทำการระ ง, งับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตันหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแหละจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลาย ที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดการแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิต ด, ดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้ว ยอมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิต ท, ที่พ้นจากอำนาจอาวิชานั้นเป็นจิต ท, ที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมติเป็นจิต ท, ที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะดเดาวได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสาราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมติทรงไวและสวยกัน ถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกวดกันด้วยอากาศกิริยาที่ขัดต่อธรรมะเรื่องนําออกจากทุกจะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้ พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากธรรมะเผ็ดร้อนแก่บรรดาสิทธิ์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจําได้ดีดังที่นํามาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะ น, นี้ปกตินิสัยท่านท่านหลงได้พูดธรรมะขั้นสูง กิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรมะขั้นนั้นๆจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินตอนนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดูด่าเคี้ยนตีด้วยวาทะความจริงเราอำนาจแห่งธรรมะเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะ น, นั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีราวกับไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลย บางครั้งยังมีความคบขันและเสียงหัวร้อแทรกออกมากับคิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอาวิชชาของท่านาก็ทํานองที่นํามาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอาวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นามาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราๆท่านท่าน ที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้ ขณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลานอนฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกําลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทากันแต่ท่านถือธรรมวิไนที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบธรรมะบทใด ก็นาธรรมบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตตาภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายรๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัธถ ร, รมภายในใจนอกจากไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเนน ท่านแสดงธรรมะทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆเริ่มแต่ธรรมะขั้นตำ่ำคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยลำดับเพื่อผู้ฟังที่มีภูมิ ต, ามต่างกันจะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึงการถามปัญหาก็ไม่มีจำกัดตามแต่ผู้มาอบรมจะมีธรรมะข้อข้องใจสงสัยในแง่ใดโดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอก เช่นแปรดผีเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใดท่านยอมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องๆและเป็นรายๆไปตามโอกาสที่ควรผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนิทองค์ท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมะท่านอย่างถึงใจหายสงสัย ไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพและกิริยาอาการท่านในลนักษณะต่างๆดังที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลเป็นที่รับฟังและยินยอมเมื่อได้ฟังธรรมะ ท, ท่านทั้งภายนอกภายในที่เต็มไปด้วยเหตุผลและน่าฟังน่าเชื่อย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไปเชื่อความคาดคะเนดลเดาที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลย ว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอยเราะท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติด้วยเหตุผลล้วนๆเสมอมาแม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้ด้วยหลักปฏิบัติทางใจการระบายความรู้นั้นๆออกมาจึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างเลอยๆเลยท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่าน จึงมักเชื่อท่านอย่างฝังใจในธรรมะทุกประเภทแม้ตอนยังไม่รู้เนื่องจากธรรมะนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ใดๆเลยนอกจากจะกล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะทานมาเป็นประจำเพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฟังก็ว่าได้ สิ่งนั้นคือทิฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฐิที่มีอยู่เสียก่อนเมื่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จริงถึงได้ยอมลงเพราะหมดหนทางต่อสู้สำหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ก่อนหน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรและได้ต่อสู้ท่าน ตามนิสัยคนที่มีทิฏฐิจัดจนบางครั้งเรากับวัดจะแตกพระเนนจะร้างวัดเมื่อได้ยินเสียงจิ้งรีดกับพญาราชสีโตวาทีกันบนกุฏิท่านอย่างเอาเป็นเอาตายโดยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูกซึ่งสุดท้ายผู้เขียนก็เทียบกับจิ้งรีดที่หมดฤทธิ์ก้มกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดูดาเคียนตีตามอัธยาศัย หากท่านผู้อา่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในยุรยาบทต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมะอบรมราวกับราชสีที่กังวานด้วยอริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอศัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมากคงไม่สงสัยวิพากวิจานิมิตภาพและอากาศกิริยาตลอดความรู้ธรรมะแง่ต่างๆของท่านให้เป็นการกังวลใจ ท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเรื่องดำเนินของท่านโดยสังเกตที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างขวางละเอียดละออทั้งธรรมะขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงก็เขาดุณาตามอ่านเรื่องท่านที่นามาลงนี้คิดว่าจะพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสำหรับท่านที่สนใจได้พอสมควรถ้าจะลงให้พิสดารมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือเหลือกาลังจะค้นคว้าและปฏิบัติตามได้ เนื่องจากความรู้ทางสมาธิก็ดีทางปัญญาก็ดีความวิมุตตหลุดพ้นก็ดีของท่านรู้สึกว่ากว้างขวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้ทุกแง่ทุกมุมจึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่กำลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ผิดถูกประการใดหวังว่าคงได้รับความกรุณาอภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วกัน